เราก็ได้มาล ว, วิหารเชตาวันนะอารามของท่านอนาถาบินดิกาเศรษฐีที่ใกล้เมืองสาวัตถีนะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองสาวัตถีนะอยู่ใกล้เมืองก็อยู่ต่างหากวิหารเชตาวันก็อยู่ห่างออกมาแต่ว่าอยู่ไม่ไกลเมืองมากนักเพราะว่าพระภิกษุท่านต้องไปบิณฑบาตในเมืองวิหารเชตวันนะก็เป็นวิหารที่พระพุทธเจ้ามาจําพรรษาอยู่นานที่สุดเลย นะก็คือ 19, สิบเก้าพรรษาเพราะว่าพระภิกษุนั้นท่านจะจำพรรษาในช่วงหน้าฝนทุกๆทุกๆปีทุกๆพรรษานะทุกปีก็จะมีช่วงหน้าฝนสามเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็จะจาริกไปตามเมืองต่างๆไปประกาศศาสนานะการจาริกไปของพระพุทธเจ้าก็จาริกไปแล้วก็พักผ่อนตามต้นไม้บ้างตามถ้าบ้างตามภูเขาบ้าง ตามวิหารที่เขาสร้างให้บ้างอันนี้ช่วงออกพรรษาก็จาริกไปส่วนหน้าเข้าพรรษาก็มาจําพรรษาที่จําพรรษาอยู่ในช่วงสี่สิบ้าพรรษาของพระพุทธเจ้าก็เชตวันนี้เยอะที่สุดแล้วก็คือสิบเก้าพรรษาไม่ใช่อยู่สิบเก้าปีนะสิบเก้าพรรษาเพราะว่าพอออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าจะจาริกไปไม่อยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานอยู่แป๊บเดียวแล้วก็เดินไปเรื่อย แนะ่อย่างนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้จะริกไปเยอะมากไปตรงนั้นตรงนี้ที่เราไปตามพระพุทธเจ้านี้ก็ไปตามสังเวชนิยสถานแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญเท่านั้นเองส่วนที่ยังไม่ได้ไปนี้นยังมีอีกมากแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเนาะก็เอาเท่าที่พอเป็นไปได้ก็แล้วกันนะครับในวิหารเชตวันนี้พระพุทธเจ้าก็จำรรษาอยู่นานแล้วก็ แสดงพระธรรมเยอะมากนะแสดงพระธรรมต่างๆเยอะทีนี้พระธรรมถึงจะแสดงเยอะอย่างไรนะก็แสดงเพื่อให้เราทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจบลงเรียบร้อยแล้วก็บอกภิกษุทั้งหลายให้นําไปปฏิบัติบอกให้ไปปฏิบัติธรรมนะก็คือท่านก็จะบอกหลังจากเทศนาจบนะก็จะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่น เรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปปฏิบัติสมถวิปัสนาจงเป็นคนไม่ประมาทแล้วก็อย่ามีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่ท่านก็ว่าอย่างนี้นะก็คือไม่ว่าจะเทศนาอะไรจบลงไปผู้บรรลุก็บรรลุไปนะผู้ที่ยังไม่บรรลุ ก, ก็บอกให้ไปปฏิบัติในขณะที่พระองค์อยู่เมืองสาวัตถีนี้อยู่ในวิหารเชตวันพวกชาวเมืองก็เย็นเย็นก็มาแล้วนะแต่งตัวมาฟังธรรม พอเทศจบตอนเย็นนะเทศจบก็ส่งพวกครหัสนี้กลับบ้านภิกษุทั้งหลายก็มาถามปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐ า, านบ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆบ้างตามสมควรจนถึงประมาณสักกลางคืนหน่อยหนึ่งสักสี่ทุ่มประมาณนี้นะโดยปกติแล้วกลางคืนเนี่ยเขาแบ่งเป็นสา ม, มยามปฐมยามยามที่หนึ่ง ปิมยามยามที่สองแล้วก็ปิมยามยามที่สามในตอนเย็นนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมแก่พวกคารวาสที่เป็นชาวเมืองเข้ามาฟังธรรมแสดงจบ ก, ก็ส่งกลับบ้านแล้วช่วงปฐมยามก็จะตอบปัญหาพระภิกษุทั้งหลายที่เข้ามาถามปัญหาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามสมควรพอภิกษุทั้งหลายได้เวลาแล้วก็อาพากันกลับไปแยกย้ายไปตามกุฏิของตนเองเนะพอช่วง สี่ทุ่มเป็นต้นไปมัชิมยามช่วงมัชิมายามสี่ทุ่มถึงประมาณตีสองประมาณเนี้ยนะพวกเทวดาก็จะมาะแหววว่าบ๊ะบ๊มาอยู่แลวพวกเทวดาพวกพรหมก็จะมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าหรือว่ามากล่าวคาถาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็กล่าวตอบอย่างนี้นะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็จะมีหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องดังๆที่เกี่ยวกับเทวดามาถามปัญหา เป็นมงคละสูตรหรือว่าสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับเทวดานะซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็คือมีเรื่องเยอะกว่านั้นมากเพียงแต่ท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้เท่านั้นเองก็เหมือนกับธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้รับการบันทึกเอาไว้เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านแสดงกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างตอบปัญหาบ้างตามสมควรอย่างนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะมีเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยก็คือ ช่วงปัจฉิมยามเท่านั้นเองนิดหน่อยแล้วก็พอรุ่งเช้าก็มาตรวจดูสัตว์โลกอีกทีหนึ่งว่าจะไปโปรดใครได้บ้างแล้วก็ออกบิณบาบในตอนเช้าอีกทีหนึ่งเนี่ยเรื่องก็เป็นไปอย่างเนี้ยพระองค์ก็ใช้ชีวิตธรรมดาเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นชีวิตของพระองค์ก็เป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นเป็นอันมากอันนี้เห็นไหมพระองค์ข้ามได้แล้วก็ช่วยให้คนอื่นข้ามได้ด้วยนะก็คือช่วยตัวเองก่อนว่าอย่างนั้นเลย ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งได้เป็นพุทธะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ความจริงแล้วก็บอกสอนคนอื่นทําให้เขาข้ามได้อย่างนี้นะทีนี้ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงจะเยอะอยังไงก็ตามแต่ก็ฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติทีนี้บางทีเราฟังธรรมเทศนาหรือว่าอ่านพระไตรปิฎกอ่านที่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางทีก็งงก็มีเพราะว่า ดูเหมือนพูดไม่เหมือนกันพูดคนละเรื่องคนละราวไปแต่ว่าคนก็กลับบรรลุได้เหมือนกันน่าง ง, งไหมบางคนอ้าวเทศเรื่องนี้บางคนอ้าเทศเรื่องนี้บางคนเทศเรื่องโน้นฉะนั้นบางคนเขาอ่านหลายๆเรื่องเขาชักงงว่าเอ๊ะเทศเรื่องนี้ก็คนบรรลุเทศเรื่องนั้นก็คนบรรลุเทศเรื่องนี้ก็คนเข้าใจเอาไปปฏิบัติส่วนเราผู้อ่านนี่ตั้งสิบเรื่องแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยยิ่งอ่านเยอะยิ่งงง หรือว่าได้ยิงเรียนหลายเรื่องก็ริ่งงงไปเรื่อยๆ อ, อันนี้นะมันเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายมันยังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราเรียนธรรมะแบบยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่เข้าใจประเด็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบอกภิกษุอยู่เสมอว่าความรู้ที่ท่านมีนะ่ยมันมีเยอะมากเหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ที่มันมีเยอะมากมายมหาศาลแต่ที่ท่านเอามาแสดงเนี่ย แค่ใบไม้สองสาใบที่อยู่ในกามือเท่านี้เองนะฉะนั้นธรรมะที่ท่านแสดงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านรู้ทั้งหมดเอาเฉพาะบางส่วนที่มันจำเป็นแล้วก็บางส่วนที่มันมีประโยชน์สำหรับการประพฤติปรมจรรันยร์ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ทำให้เห็นอริยสัจได้ท่านเลยเรียกว่าธรรมะแบบใบไม้กามือเดียวนะก็คือท่านรู้นั้นมันเยอะเหมือนใบไม้ทั้งต้น แต่ว่าที่เอามาแสดงเนี่ยเพียงหยิบมือเท่านั้นเองเหมือนกับความรู้มันมีเยอะนะอย่างเราทุกวันนี้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปดวงดาวไปดวงจันทร์หรือว่าความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้จนกระทั่งวิธีทํากระเบื้องอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องของเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันจึงมีนั่นแหละเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันก็แค่เรื่องกฎเกณฑ์ความเป็นไปของความธรรมดาของสิ่งต่างๆ ก็คือมันเป็นเช่นนั้นของมันเมื่อมีเหตุใส่เหตุสมควรเข้าไปมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้เปลี่ยนส่วนผสมมันก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเรื่องพวกนี้ทั้งทั้งที่ท่านก็เข้าใจอะไรต่างๆทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่รู้วิธีทํากระเบื้องหรอกแต่ว่าท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นไปนี้มันล้วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นอย่างนี้นะมันไม่ได้มีตัวมีตนหรือว่าไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้ถาวรอะไร อันรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ทีนี้ที่ท่านเอามาสอนเนี่ยเอามาสอนเฉพาะบางส่วนที่เป็นความรู้ที่จําเป็นเรียกว่าใบไม้กํามือเดียวเราคงจะเคยได้ยินเนาะได้ยินบ่อยๆฉะนั้นเวลาเราเรียนธรรมะหรือฟังธรรมะนะฟังให้ได้แบบใบไม้กํามือเดียวถ้าเราฟังแบบโอ้เดี๋ยวคนนั้นรู้เรื่องนี้รู้เรื่องกรรมรู้เรื่องเทวดารู้เรื่องแก้กรรมแก้กรรมโน้นแล้วได้อย่างโน้นแก้กรรมนี้แล้วได้อย่างนี้ ทำบุญอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นนะรักษาศีลแล้วผิวจะสวยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันก็เป็นใบไม้ที่สเปะสปะไปทั่วเราไม่ได้ใบไม้กำมือเดียวเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะทําไมเวลาคนอื่นฟังเขาจึงบรรลุไอเราฟังนี่ยังงงอยู่เลยหรือว่าไม่รู้เรื่องมัวแต่อยากได้บุญอยู่เลยของเขาบรรลุไปแล้วอย่างนี้นะอันนี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจประเด็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ยากเลยไม่ว่าพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ให้ได้ความรู้ใบไม้กำมือเดียวอันนี้เราก็จะเข้าใจได้นะซึ่งใบไม้กำมือเดียวนี้ก็คือเรื่องอริยสัจ ท, ทั้งสี่ที่เราได้ฟังกันไปแล้วนั่นเองนะก็คือเรื่องทุกข์ทุกขัะสมุทยัยทุกขะนิโรธาทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาทุกข์ก็คือกายกับใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไร้ตัวตน เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นทุกขสัมมุทัยคือตัวตันหาที่เป็นความอยากความต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตัวความติดข้องเพลิดเพลินอยู่ทุกขานิโรธาก็คือความอิสระจากทุกอิสระจากความติดข้องในกองทุกต่างๆอิสระปล่อยวางมันไปนะสละคืนมันไปได้ ไม่หลงติดข้องกับมันไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับมันจนกระทั่งถึงพระนิพพานไปส่วนทุกขานิโรธาขามิหนีปฏิปทาหนทางก็คืออริยมรตมีองค์แปดประการหน้าที่ของเราต่ออริยศาสตร์ทั้งสีก่ก็ทุกขือกลายกับใจนี้ให้รู้มันให้รอบรู้ให้แจมแจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกขะสมุทัยคือตัวตัณหาก็ให้ละ ลุคนิโรธาคือพระนิพพานจิตใจที่อิสระจากกองทุกข์ <c oughs> ก็ให้ทำให้แจ้งนะให้เป็นอารมณ์ของจิตให้ได้ไปรู้จักส่วนอริยมรรคมีองค์แปดศีล ส, สมาธิปัญญาอะไรพวกนี้ก็ให้เจริญคือถ้ามันยังไม่มีก็ทำให้มันมีขึ้นถ้ามีแล้วก็ทำให้มันบ่อยๆจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาเนี่ยอย่างนี้เห็นไหม ฉะนั้นเวลาพูดเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะก็จะได้หลักการปฏิบัติอันเดียวกันก็คือไปฝึกฝนให้มีอริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นก็คือทํทาธรรมะชนิดที่ควรเจริญนั่นแหละฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยนะหรือว่าพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องอะไรปับ๊บแต่ละคนก็เข้าใจว่าอ๋อเราต้องไปฝึกสิ่งที่ไม่เคยมีให้มันมีขึ้นที่มีแล้วก็ให้มันเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์นะก็คืออริยมรรคมีองค์แปด ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ในหลักของอริยมรรคมีองค์แปดนี้ถ้าพูดโดยสามอย่างก็ได้เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดสองอย่างก็ได้เป็นสมถะกับวิปัสนาถ้าพูดให้เยอะๆหน่อยก็เป็นสามสิบเจ็ดอย่างโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะถ้าพูดให้ แปลกหรืว่ามีมุมมองแตกต่างออกไปก็วิชาและจรณะอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะพูดนะสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมะที่ควรทำให้มีขึ้นถ้ายังไม่มีก็ทำให้มีถ้ามีแล้วก็ควรเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนี่ไม่ว่าเราจะฟังธรรมะเรื่องอะไรนะถ้าเราได้ใบไม้กำมือเดียวอันนี้เราจะเข้าใจการปฏิบัติเลยว่าอ๋อแท้ที่จริงก็เป็นการฝึกฝนให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะ เพื่อมันเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาจนกระทั่งอริยมรรคบรรสมบูรณ์เท่านั้นเองเพราะว่าเขาเข้าใจหลักการของใบไม้กำมือดีเขาเช่นเวลาเราพูดถึงเรื่องกรรมขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งคําพูดว่าโอ้ทำกรรมดีแล้วได้ดีทํากรรมชั่วแล้วได้ชั่วทํากรรมดีแล้วไปสวรรค์ทําสมาธิเยอะๆแล้วไปพรหมทํากรรมเลวๆแล้วไปนรกอันนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่เพราะว่ามันไม่ได้แบบ อริยมรรคหรือว่ายัางไม่ได้แบบใบไม้กํามือเดียวมันหลายใบยไม้เลยเกินนะจะแตกแยกย่อยอะไรไปเรื่อยๆมันก็แตกไปเรื่อยๆฉะนั้นคนไหนสนใจเรื่องไหนก็สนใจกันไปวนเวียนกันไปนะทีนี้เวลาเราพูดเรื่องกรรมก็ต้องพูดอ้าวพูดเรื่องกรรมมาใช่ไหมโอ้กรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็เป็นของดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีตัวตนกรรมมัสมุกไทย กรรมนิโรธากรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาอย่างนี้ย ห, หมที่เราต้องฝึกฝนก็เพื่อให้ถึงกรรมนิโรธาคืออิสระจากกรรมอิสระจากการวนเวียนไปทํากรรมนั่นกรรมนี่อะไรล่ะที่จะทําให้เราอิสระจากกรรมได้ก็อริยมรรคปีองแปดก็ฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะท่านเวลาไม่ว่าจะพูดอะไรขึ้นมาปั๊บก็เป็นใบไม้ไมไมกับมือเดียวแล้วก็ได้ข้อปฏิบัติเหมือนกันหมดนะ อา้าวต่อไปเวลาพูดเรื่องบุญพูดเรื่องบุญขึ้นมาอา้าวทําบุญบุญมันดีอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะช่วยให้เราได้รับความสุขบุญเนี่ยเป็นเหมือนญาติมิตรที่คอยช่วยเหลือเรานะบุญมันก็ไม่ได้มีตัวมีตนเป็นของเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปนะความติดข้องในบุญก็เป็นบุญสมุทรไทยทำให้เกิดการวนเวียนไปเรื่อยๆนะ ตัวตัญหาที่ติดข้องกับบุญทีนี้บุญญะนิโรธาล่ะโอ้ความอิสระจากบุญนะไม่ต้องตกเป็นภาตุของบุญไม่ต้องอยากได้บุญอีกดีไหมเออดีหนทางที่จะทำให้อิสระจากบุญอยู่เหนือบุญไปก็บุญญะนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาหนทางก็อริยมรรคมีองค์แปดนี่เข้าใจไหมฉะนั้นคนฟังเรื่องบุญเขาก็บรรลุได้เหมือนกันแต่ไม่ได้บรรลุเพราะว่าไปทบุญเยอะ บรรลุเพราะว่าไปฝึกสติสัมปชัญญะให้อยู่เหนือบุญอย่างนี้นะเหมือนกับพูดเรื่องบาปก็เหมือนกันถ้าพูดเรื่องบาปไปป้าอ้าวทำบาปไม่ดีนะไปตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่บาปมันก็ไม่ได้มีตัวมีตนเหมือนกันเป็นตัวทุกข์เท่านั้นเองที่มันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงไปตัวการไม่ชอบบาปเกลียดบาปไม่อยากให้มันเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตัวอยากตัวความต้องการอะไรพวกนี้ก็เป็น บาปสมุกไทยนะเนะี่ยเป็นตัวตันหาตัวไม่ชอบมันตัวไม่อยากก็เป็นตันหาเหมือนกันนะเป็นความอยากแต่ภาษาเราอาจจะแบบพูดคล้ายๆกับว่ามันหลอกตัวเองหน่อยหนึ่งนะพูดว่าไม่อยากนะแต่ที่จริงก็เป็นความอยากชนิดหนึ่งนะอย่างนี้นะฉะนั้นความไม่อยากแท้ที่จริงก็คือความอยากนั่นแหละแต่ว่าเราพูดแบบมันหลอกตัวเอง พูดภาษ<ส>าเราอะมันหลอกตัวเองภาษาไทยเรานี่นะออยากได้กับไม่อยากได้แต่ที่จริงก็คือความอยากนั่นแหละอันหนึ่งอยากได้อันหนึ่งอยากไม่ได้นะอันหนึ่งอยากเป็นอันหนึ่งอยากไม่เป็นแต่เรามาพูดสักลับความแล้วมันก็เลยงงไปงงมานะแต่ที่จริงก็คือความอยากตัณหานั่นแหละมันไม่ยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นของไม่มีตัวตนอ่านะอย่างนี้ ทีนี้เราไม่ยอมรับบาปตามที่มันเป็นจริงว่ามันไม่มีตัวตนเราก็รู้สึกว่าบาปนั้นอนะ่ะเป็นผู้ลงโทษหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะชนักติดหลังเราใช่ไหมทําบาปก็ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางคนทําบาปไ ด, ได้ได้รับผลไม่ดีเราก็ยังไปสะใจโอ้สมกวยแล้วสมน้ำหน้ามันอย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกเนี่ยอย่างนี้นะบุญก็คอยเป็นผู้ให้รางวัลบาปก็คอยเป็นคนลงโทษนั่น อันนี้ก็เป็นพวกเห็นผิดที่เขาคิดว่าบาปบุญนั้นเป็นตัวเป็นตนแต่พระพุทธเจา้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะบาปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุอิงาสายเหตุเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็สอนบาปสมุทยัยที่เราไปรังเกียจบาปแล้วจะอิสระจากบาปละ่ะทํำยังไงก็ต้องถึงพระนิพานเนาะบาปนิโรธาให้มันอิสระจากบาปไปไม่ต้องมาวนเวียนทําบาปอีกแล้ว ที่จะไม่ต้องมาทําบาปอีกแล้วก็ต้องมีหนทางมีข้อ ป, ปฏิพิบัติหรือว่าประตูก็คือบาปนิโรธาคามิมีปฏิปทาก็คืออารยมรคมีองแปดเห็นไหมพูดเรื่องบาปมาก็บรรลุได้เหมือนกันได้ข้อปฏิบัติเข้าใจเอาไปปฏิบัติได้นะอย่างนี้นะพูดเรื่องอะไรมาก็ได้นะพูดเรื่องขันห้ามาก็ได้ขันห้านี้เป็นตัวทุกนะ สมุทยัยคือตัวตัญหาที่อยากให้กันห้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ทุกขะสมุทยัยกายใจเราเนี่ยขันหน้าความอิสระจากกายจากใจของตัวเองก็ทุกขะ น, นิโรธหนทางก็อริยมรรคมีองแปะอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องไหนขึ้นมาก็ได้หรือว่าเทสนาเกี่ยวกับบางเรื่องพูดเรื่องเวทนาขึ้นมานพูดเรื่องเวทนา เวทนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุนะสุขเป็นอย่างนี้นะเป็นความสบายใจเป็นความสบายกายนะอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้น ะ, ะทุกข์กมสุขเป็นอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นของไม่มีตัวตนเกิดเพราะเหตุเกิดเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเวทนาสมุทยัยคือความยินดีเพลิดเพลินในความสุขเกลียดทุกข์วนเวียนไปอยู่อย่างนี้เวทนานี้โรยทาก็อิสระจากมันไปซะจนถึงพระนิพพาน เวทนานิโรธคามินีปฏิปทาก็อริยมรตมีองค์แปดประการนี่พอเข้าใจไหมนะแต่เราทั้งหลายนี่เวลาฟังนี้ส่วนใหญ่จะได้แต่ใบไม้ที่ล่องลอยไปตามลมแล้วก็ไม่เคยได้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็งงกันไปงงกันมาตีกันไปตีกันมาฟังธรรมเทศนาไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ยังไม่รู้วิธีปฏิบัติว่าเอ๊ะบางคนไปยังไปสงสัยอยู่ทําไมเทศนาไม่เหมือนกันทําไมบรรลุไปก็มี อันนี้เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจประเด็นของการศึกษาในพระพุทธศาสนาเคยได้ยินไหมคนบรรลุธรรมเนี่ยเขาบรรลุเพราะเห็นอริยสัจนะเขาแทงตลอดอริยสัจฉั้นทุกเรื่องเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอไว้แล้วท่านแสดงแค่ใบไม้กับมือเดียวเท่านั้นเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะแสดงในแง่มุมของอริยสัจทั้งนั้นก็คือเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์ได้ฝึกฝนตนเองประพฤติพรหมจรรย์เจริญศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้น เนี่ยอย่างนี้นะหรือว่าพูดในแง่มุมของปฏิจจสมุปบาทก็ได้ใครชอบเรียนนิยมเรียนมาก็พูดมาตั้งแต่โน่้นชารามรณะชารามรณะพูดมาชารามรณะคืออะไรล่ะโอ้ชาราก็คือความแก่ความค่ำคลาความไม่เหมือนหนุ่มหนุ่มแล้วอาการของมันปรากฏออกมาเป็นหัวงอกหนังเหยวยอย่น ตายเป็นยังไงนะมรณะก็คือความตายแต่เดิมเคยหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้ไม่หายใจแล้วกลายเป็นท่อนไม้แล้วอย่างนี้เนี่ยชารามรณะนะทีนี้ชารามรณะสมุทัยคืออะไรละ่ะอะไรละ่ะเป็นเหตุให้เกิดชารามรณะชาติปัจจยาชารามรนังเนี่ยเห็นไหมชารามรณะสมุทัยก็คือชาติการเกิดอย่างนี้นะ ชารามาราณานิโรธะก็คืออย่ากเกิดอีกนะชารามาราณานิโรธะเห็นไหมเวลาพูดถึงแก่ตายพูดถึงชารามาราณะก็พูดถึงชารามาราณะสมุทยัยชารามาราณานิโรธะแล้วก็ชารามาราณานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแน่นั้นเวลาพูดถึงคนแก่คนตายเขาก็บรรลุ ก, กันได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าอันเดียวกันนะอย่างนี้นะ แต่เรานี้พอพูดถึงความแก่ความตายก็ได้หายเศร้าไปพักหนึ่งวันหลังมามันก็วนเวียนอีกแล้วอันนี้เพราะว่าเราได้แต่ใบไม้อะไรมันล่องลอยไปเรื่อยมันไม่ได้ใบไม้กำมือเดียวอันนี้มีพอเข้าใจไหมนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้นะขอให้พูดเป็นแบบอริยสัจทั้งสี่เพราะว่าเวลาแทงตลอดนี้ก็แทงตลอดตามอริยสัจทั้งสี่ ก็คือถ้าพูดแบบรวบรัดรวบยอดทั้งหมดท่านจับสภาวะทุกอย่างที่มันเกิดอะไรที่เกิดทั้งหมดเป็นตัวทุกข์หมดเลยอย่างนี้ทุกขาอริยสัจเหตุให้เกิดทุกวนเวียนคือความรักความชังความยินดีเพลิดเพลินกับมันคือตัวตัณหาแล้วก็ความจะอิสระจากมันก็ทุกขนิโรธะคือพระนิพพานแล้วก็หนทางคืออริยมรรคมีองค์แปดนี่เอาทุกเรื่องมารวบรัดลงไป ทีนี้ถ้าพูดเป็นบางเรื่องก็ได้นะแล้วแต่อนะถ้าเราจะพูดเป็นอาการบางอย่างขึ้นมาก็ได้เช่นว่าเออปวดหัวนี่เพราะอะไรว่าอย่างนี้นะถ้าเราคิดแบบทั่วๆไปเราก็คงได้ยาพาราเซตามอลมาอันนี้มันก็จะปวดไปเรื่อยๆเนาะกินหายไปสักหน่อยมันก็ปวดใหม่นะทีนี้เรามีหัวหัวมันก็เป็นตัวทุกอันหนึ่งใช่ไหมเป็นสิ่งหนึ่งนะทําไมถึงปวดหัวล่ะ ก็ต้องมีหัวเนาะมีหัวนะเรารักหัวเราก็ได้หัวมาเรื่อยๆชอบยังชอบหัวอยู่นะยังรักหัวอยู่ยังเพลิดเพลินกับหัวอยู่มีหัวก็ทาให้สุขบ้างทุกบ้างตอนสุขก็เพลิดเพลินกับมันตอนทุก็ยังเกลียดมันอันนี้ก็หัวสมุทยและนะต่อไปเราต้องอิสระจากหัวสิใช่ไหมล่ะมันปวดก็ต้องอิสระจากมันมันไม่ปวดมันมีความสุขก็ต้องอิสระจากมัน เป็นหัวนิโรธะไปแล้วหรือพระนิพพานก็ต้องมีหนทางคือหัวนิโรธะคาไม่มีปฏิปทาก็อริยมรรคมีองค์แปดเห็นไหมพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เหมือนกันหมดพอเข้าใจไหมนี่วิธีการที่จะทำให้ถึงการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงส่วนเรื่องโลกโลกเราก็ทำเอาวนเวียนไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะส่วนเรื่องธรรมะนี้ต้องแบบอริยสัจทั้งสี่ นี่พอจะเข้าใจไหมนะจากนั้นเวลาฟังธรรมะนะไม่ต้องเอาเยอะก็ได้นะไม่ต้องเอาเยอะก็ได้อย่างทำบุญก็ไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เอาแบบอริยสัจนะเข้าใจไหมเออนะเออเคยฟังเรื่องกรรมก็ไม่ต้องรู้เรื่องกับเขาเยอะก็ได้เอาแบบอริยสัจนะผู้ดฟังเรื่องกรรมเอากำมะสมุทัยกำมะนิโรทะกำมะนิโรทะคาไมณีปฏิปทาก็ได้ข้อปฏิบัติมาก็คือ การฝึกฝนให้มีอริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าศาสน า, าของท่านนี่นะที่ต่างกับคนอื่นเนะมีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดศาสนาอื่นเขาไม่มีนะทุกคือกายกับใจมันก็มีอยู่แล้วทุกทุกคนก็เป็นตัวทุกที่มันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปทุกข์ใสมุทัยคือตัณหามันก็หลอกเราอยู่ทุกวันวนเวียนไปอยู่เห็นไหมก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ละมันเท่านั้นเองมันก็มีอยู่ นะ่เกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันไปอยู่พระนิพนพานก็ดำรงอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เคยเห็นไม่เคยแจ้งเพราะว่ามัวแต่หลงตามทุกอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีกับเราเลยคืออะไรอริยมรตมีองค์แปดนะท่านจึงให้ทําให้มีขึ้นถ้ามีแล้วก็ควรเจริญให้ยิ่งๆขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่านจึงมาเปิดประตูหรือว่าหนทางอันนี้เพื่อที่จะถึงอย่างนี้นะ เราก็มาฝึกฝนให้เกิดผลทางอันนี้นี่คือทิ่งที่พุทธศาสนาแตกต่างจากอันอื่นคนฟังถ้าฟังเข้าใจเขาก็ฟังเรื่องไหนก็ไปปฏิบัติได้ทั้งหมดหยิบเรื่องอะไรมาก็เป็นเรื่องอริยสัจ ท, ทั้งหมดนี่นะจํำไว้นะง่ายเองอย่ากไหมเออนะพูดเรื่องความทุกข์ขึ้นมาก็ได้พูดเรื่องความสุขขึ้นมาก็ได้สมมุติเรายกสุขขึ้นมา แท้จริงสุขพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์อันหนึ่งที่มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันนะสุขก็เป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปสุขสุขสมุทัยก็คือความติดข้องในความสุขยินดีเพลิดเพลินในความสุขสุขนิโรธก็คือความอิสระจากความสุขหนทางที่จะทําให้เราอิสระจากความสุขก็คือสุขนิโรธคาไมนีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์แปดเห็นไหม มันเหมือนกันหมดแหละนี่นะแล้วบางคนฟังธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะมาตั้งหลายเรื่องแล้วแต่งงอยู่เลยเรียนหลายเรื่องเกินไปเลยงง <c oughs> แต่ที่จริงเขาเรียนหลายหลายเรื่องเขายิ่งจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมบางคนยิ่งเรียนยิ่งงงหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจใบไม้กับมือเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่านี่ความรู้ของท่านนะ่ะมันมีเยอะแยะแต่ว่าท่านไม่สอน เพราะว่ามันทำให้วนเวียนแล้วก็ได้ความรู้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเกิดแต่มานะแล้วก็เกิดพบชาติวนเวียนไปเรื่อยๆสมมติว่าเรารู้เรื่องเทวดาดีเลยโอ้เทวดาชั้นนั้นเป็นอย่างนี้เทวดาชั้นนี้เป็นอย่างนี้ทำกรรมอย่างนี้แล้วจะได้เป็นเทวดามีแสงเยอะกว่าเขาอะไรอย่างเนี้ไปรู้อย่างนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไปรู้อย่างนี้เราก็คงจะชอบโอ้เทวดาถ้าจะเข้าท่าเนาะสวนนันทวันถ้าจะดีนะน่าจะดู นี่มันก็อยากได้ติดข้องหนักขึ้นไปเรื่อยๆอีกนี่ฉะนั้นเวลาพูดเรื่องเทวดาอ้าวเทวดาก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นของเกิดก่อเหตุเกิดแล้วดับไปเทวดาสมุทัยก็คือความยินดีเพลิดเพลินในความเป็นเทวดานั่นแหละก็ต้องวนเวียนไปเรื่อยๆอีกเนี่ยเทวดานิโรธะก็คืออิสระจากเทวดาไปซะไม่หลงเพลิดเพลินยินดีกับมันเนีหนทางที่จะไม่หลงเพลิดเพลินยินดีกับมันคือยังไงล่ะ เทวดานิโรธาคา ม, มิมนีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นไงไปกับเขาได้ทุกเรื่องเลยอริยมรรคมีองค์แปด น, นี่พอเข้าใจหมเออนะฉะนั้นให้ศึกษาทุกเรื่องให้มันเข้าใจก็จะได้ตามหลักของอริยมรรคมีองค์แปดทั้งหมดนะฟังเรื่องไหนก็สามารถเข้าใจได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราทั้งหลายนี้เขาไม่สอนกันอย่างนี้เพราะว่าอริยมรรคนี่นะ แล้วก็เรื่องอริยสัจทั้งสี่นี่เป็นธรรมเทศนาที่ท่านเรียกว่าสามุ ก, กังสิกธรรมเทศนาคือเป็นธรรมเทศนาที่เฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นจึงจะยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองส่วนคนอื่นเขาไม่แสดงอย่างเขาพูดเรื่องกรรมให้ท่านฟังเขาก็พูดโอ้ยทำดีแล้วได้ดีเราก็รักดีกันใหญ่เลยใช่ไหมทำชั่วแล้วได้ชั่วนะไปนรกนะเราก็เกลียดชั่วกันใหญ่เลย เนี่ยมันไม่เขาไม่ได้สอนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอริยสัจนะดีชั่วถูกผิดร้วนเป็นของไม่มีตัวมีตนเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงนะอย่างนี้ที่มันยังมีดีมีชั่ววนเวียนอยู่ไปนี้เพราะว่าเราลังหลงเพลิดเพลินยินดีกับอันนึงหลงเกลียดอันนึงอยู่อยากไม่อยากวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเป็นสมุทัยอยู่เราต้องถึงนิโรธะคืออิสระจากมันไปซะ อิสระจากทั้งดีทั้งไม่ดีไม่หลงตัดสินไม่หลงไปถูกมันมีอิทธิพลอยู่ของดีก็อุตส่าห์ไปรักมันของชั่วก็อุตส่าห์ไปเกลียดมันอยู่มันเหน็ดมันเหนื่อยมันไม่ได้พักผ่อนะจะไปพักผ่อนที่ไหนล่ะมันมีไม่มีแล้วมันหลงติดข้องไปแล้วซึ่งหนทางก็คืออริยมรตมีองค์แปดเห็นไหมพอฟังเรื่องบุญเรื่องบาปปั๊บเราก็ได้ข้อปฏิบัติเลยว่าโอ้เราปฏิบัติเพื่อเหนือบุ ญ, บญเนื้อบาปนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาบุญ ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อรังเกียจบาปแต่ปฏิบัติเพื่อเหนือมันหมายถึงว่าข้ามมันไปได้มันไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจอีกแล้วท่านถึงเรียกว่าพวกอยู่เหนือโลกอะไรพวกนี้นะฉะนั้นในพวกกิเลสอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าโลกนี้เราไม่ได้ศึกษาเพื่อจะรังเกียจมันหรือว่าไปรักมันหรอกแต่ว่าเราศึกษาเพื่อข้ามมันไปนะคําว่าข้ามหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายมันทําอันตรายมันไม่ได้ไปตีมันไม่ได้ไปรังเกียจมัน เช่นว่าข้ามความสงสัยก็ไม่ใช่หมายเพราะว่าเราไปทำร้ายความสงสัยหรือว่าไปหาคําตอบอะไรให้มันหมดไม่ใช่อย่างนั้นหมายา็ว่าความสงสัยก็เกิดขึ้นได้แต่เราไม่สงสัยกับมันหรือว่ามันไม่มีอิทธิพลต่อใจเราแล้วก็เห็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเราก็ข้ามมันไปนี่พอเข้าใจไหมเราไม่ได้ไปต่อยมันเพราะว่ามันเกิดเองมันก็จะดับเพรามันเองนะสุขทุกข์ก็เหมือนกัน ข้ามสุขข้ามทุกไปเป็นพวกเหนือโลกเนี่ยถ้าพูดภาษาแบบหนังจีนหน่อยก็บอกว่าพวกเหนือเมฆอะไรอย่างเงี้นะฉะนั้นวิชาเหนือเมฆนี่ก็เรียกว่าอะไรอะไรอื่นๆที่เขามีปัญหามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยมันวนเวียนเนี่ยทําลายได้หมดทุกๆเรื่องโดยวิธีเดียวเท่านั้นคือฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญา และอริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นทุกๆปัญหามันก็จะหมดไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าโดยปัญหาของมันเองนั้นมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาเพราะว่ามันมีเหตุที่ให้มันเกิดเกิดแล้วมันดับไปนะตัวปัญหาสาหรับที่ให้มันคงอยู่ก็คือตัวสมุทยัยนะถ้ารู้จักมันตามความเป็นจริงสมุทยัยมันก็หมดที่ตั้งมันก็จบแล้เนี่ยพอใจไหมนี่แหละ ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงที่วิหารเจตวันก็มีเยอะแยะมากมายท่านก็ลองกลับไปอ่านดูแล้วก็ถ้าได้ความเข้าใจในแง่มุมของอริยศาสตร์ทุกๆเรื่องก็เหมือนกันหมดนั่นแหละจะพูดเรื่องขันห้าจะพูดเรื่องอายปณะจะพูดเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละนะอย่างพูดเรื่องตาขึ้นมาโอ้ตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตาสมุทัยตาณิโรดตาณิโรธะค า, า, ามินีปฏิปทา ก็จะได้ค้อปฏิมัติมาคืออริยมรรคมีองค์แปดนี่คงพอจะเข้าใจบ้างเนะาะฉะนั้นคนไหนที่เข้าใจธรรมะตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ฝึกฝนตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดนี้จึงเป็นหนทางที่รวดเร็วไม่เนื่นช้าไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากก็ได้ไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะโอ้ยไม่ต้องไปแก้กรรมให้มันดีมันเด่นอะไรนักหนาหรอกน เพราะมันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเราต้องการอิสระจากมันเท่านั้นเองรเราไม่ได้ต้องการแปลงให้มันดีอะไรฉะนั้นจึงไม่ต้องบอกวิธีแปลงก็ได้น่ะอย่างเราเนี่ยโอ้จะเป็นเทวดาเธอต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเราไม่ได้อยากเป็นเทวดาเราต้องการอิสระจากเป็นเทวดาฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องรู้วิธีเป็นเทวดาก็ได้มันเสียเวลาเห็นไหมใบไม้แบบมันเต็มป่าเต็มดงไปความรู้มันมีเยอะแต่เราเอาแบบกํามือเดียวไปเลย ลัดสั้นนะรวดเร็วมากทีเดียวนะไม่เนื่องช้านะดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะของมหาบุรุษของคนที่รู้อย่างจบสมบูรณ์แล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยเนี่ยนะครอบคลุมทั้งหมดก็คือเรื่องชีวิตเห่านี้แหละทั้งหมดเลยนะพูดเรื่องการเกิดพูดเรื่องเกิดเมื่อพูดเรื่องเกิดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดชาติเนะีนะ่ยพูดเรื่องชาติการเกิดขึ้นนะการเกิดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย ภาวะก็เป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดนะนาชาติสมุทัยคืออะไรล่ะอันนี้พูดเรื่องในแง่ปฏิจจสมุปบาท น, นะนาชาติเกิดเพราะอะไรล่ะภาวะปัจจยาชาติอ้อชาติสมุทัยคือพบคือการกระทำกรรมให้เกิดการวนเวียนอยู่าชาตินิโรธต้องให้ถึงอันนี้ชาตินิโรธชาตินิโรธะคาม่มีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการ เนี่ยอย่างน้นพูดเรื่องอะไรมาก็ได้นะเนี่ยพูดไปพูดมาเพื่อจะให้งงหรือให้เข้าใจก็ไม่รู้นะพูดได้หลายเรื่องเอาไว้ยกไปยกมาน่ยอย่างนี้เนาะนี่แหละเราจรึงจะไม่เนิ่นช้าแล้วก็ได้ธรรมะชนิดที่เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าเราต้องการจะถึงนิโรธะคือพระนิพพานเห็นไหมเนี่ยต้องการจะถึงจริงๆนี่คือนิโรธะคือความอิสระจากทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง บุญเราก็อิสระจากมันได้บาปเราก็อิสระจากมันได้จะปล่อยให้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจเราทําไมนะดีคนดีก็ดีไปเราจะปล่อยให้เขามีะเราจะปล่อยให้เขามีอิทธิพลต่อใจเราทําไมมีอิทธิพลต่อใจเราก็เป็นทุกข์เปล่าๆนะคนชั่วจะปล่อยให้เขามีอิทธิพลต่อใจเราทําไมมีอิทธิพลต่อใจเราเราก็ไปมัวเกลียดเขาก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้นะเราต้องถึงนิโรธานิโรธะคือความอิสระจาก ทุกสิ่งทุกอย่างอิสระจากทั้งดีทั้งไม่ดีซึ่งหนทางพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วคือเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดประการนั่นแหละนี่นะทีนี้เราทั้งหลายนะั้นส่วนใหญ่ก็พากันเนื่นช้าวนเวียนกันไปเนาะเนี่ยพอได้รู้แล้วว่าธรรมะชนิดที่รวดเร็วไม่เนื่นช้าเป็นของมหาบุรุษเป็นอย่างนี้นะรวดเร็วมากไม่ต้องไป อยากได้ความรู้นั่นเรารี่อะไรเยอะแยะนะไม่ต้องไปสนใจความรู้ชนิดที่เป็นใบไม้ที่ล่องลอยหรือว่าใบไม้เยอะๆไม่ต้องอย่างนั้นเอากำมอือเดียวก็พอนะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนั้นพากันวนเวียนยืดยาวอยู่เพราะว่ามีธรรมะชนิดที่ท่านเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าอยู่ในใจเราเยอะ ธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าที่เป็นหลักๆของเขาหรือว่าหัวหน้าเขาเนี่ยจะมีอยู่สามอย่างเราต้องรู้จากเขานะแล้วก็ละมันไปธรรมะที่ทำให้เราเนิ่นช้าวนเวียนไปอยู่เนี่ยมีอยู่สามอย่างที่หลักๆอยู่อันที่หนึ่งคือตัณหาความอยากได้ความต้องการความคาดหวังอยากให้ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ้าต่อไปจะดีขึ้นอ้ตอนนี้ยังไม่ดีต่อไปจะดีขึ้น อะไรเงมีความคาดหวังมีความอยากได้มีความต้องการปฏิบัติธรรมก็โอ้น่าจะพ้นทุก์อะไรก็ว่าไปอยากได้ไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ก็จะทําให้เนื่นช้าวนเวียนไปเรื่อยๆเพราะเราอยากได้แต่ที่จริงนี้เขาต้องการอิสระจากความอยากไม่ใช่ปฏิบัติด้วยความอยากได้นะแต่ว่าใครหลอกเราว่าดีเราก็คงจะเอาอยู่เรื่อยนะแต่โดยความจริงแล้วเราไม่ได้ต้องการดีเราต้องการอิสระจากดีนั่นแหละ ดีจะได้ไม่มาสั่งเราไงถ้าเราไม่อิสระจากดีตกเป็นธาตุของความดีดีมันก็มาสั่งหัวเราด็กก็จูงจมูกเราอยู่งั้น เ, นเราก็กลายเป็นโคลไปเป็นหัวไปถูกดีนั้นจูงจมูกอยู่เราไม่ได้ต้องการดีเราต้องการอิสระจากดีนั่นดีจะได้ไม่มาจูงจมูกเรางะมันต้องอย่างนี้อ่าฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพากันมีตันหาอยากได้เนหะ็นไหมมันก็เลยเนิ่นช้าไป อันที่สองคือมีมานะสำคัญตนมีความสำคัญตนสำคัญว่าเราเก่งเราดีแล้วเราประเสริฐแล้วหรือว่าบางทีก็มีมานะในแง่ถึงว่าโอ้ยเราไม่เก่งเราบุญน้อยวาสนาน้อยมีบารมีไม่ถึงอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เนิ่นช้าไปโดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเราจะเป็นพวกมีมานะประเภทถ่อมตนเกินเหตุไปทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ย สามารถฝึกฝนได้นะเนี่ยนะฝึกฝนได้เป็นคนมีสติมีปัญญาจนกระทั่งบรรลุไปก็ได้แต่เราเนี่ยโอ้บาลมีไม่ถึงเราไม่สามารถรู้ธรรมะได้หรอกโอ้ฟังก็ไม่เข้าใจอะไรพวกเนี่ยเขาก็มีมาน a คือสําคัญตนเองว่างโง่ก็ได้งโง่ไปเรื่อยๆนะแต่พระพุทธเจ้าท่านให้รู้จักตนเองว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นีนมันเลิศประเสริฐที่สุดแล้ว ถ้าพื้นฐานเรายังไม่ดีไม่มากนักเราก็ต้องฝึกเยอะกว <K il son> ่าเขาหน่อยถ้าพื้นฐานดีแล้วก็ฝึกไม่มากนักก็ได้ประสบความสําเร็จอย่างนี้นะฉะนั้นพื้นฐานแต่ละคนมาไม่เหมือนกันแตกต่างกันมันก็เป็นความแตกต่างในพื้นฐานขั้นต้นถ้าพื้นฐานเราน้อยเราก็ขยันมากกว่าเขาหน่อยก็ได้ผลมาถ้าพื้นฐานดีก็ขยันน้อยหน่อยก็ได้ผลเนี่ยฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานเท่าไหร่หรอกมันเกี่ยวกับความภาคเพียรขยนันฝึกฝนตนเอง แต่เราทั้งหลายนี่โอ้คนอื่นบรรลุไปโอ้เขาบุญเขาทํามาดีเขาอะไอย่างเงี้ยนะถ่อมตัวเองไปเรื่อยๆผมโง่ไม่มีบาร ม, มีก็ขอไปเรื่อยๆก่อนคงจะได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจริงๆซะด้วยนะอันนี้เขาเรียก ว, ว่าพวกมีมา m a n ะนะสําคัญตนว่าโง่ก็มีมานะเหมือนกันนะสําคัญตนว่าไม่มีบาร ม, มีก็ m a n ะเยอะเหมือนกันนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ชอบสําคัญตนว่า ไม่สามารถบรรลุได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้ก็มีมานะเยอะนะฉันมานะเนี่ยสําคัญตนว่าต่ํากว่าเขาก็ได้เสมอเขาก็ได้สูงกว่าเขาก็ได้แต่เราอาจจะเข้าใจแต่ว่าไอ้มานะมันน่าจะสําคัญว่าเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาแต่มานะเนี่ยสําคัญว่าโง่กว่าเขาสําคัญว่าไม่ตัวเองไม่รู้เรื่องสําคัญว่าตัวเองไม่เก่งก็เป็นมานะเหมือนกันนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ จะออกมาหน้าแบบไม่ค่อยดียสําคัญตัวเองว่าโง่เนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าท่านมาบอกเราว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถฝึกได้อย่าไปสําคัญตัวเองว่าโง่อยู่เลยท่านบอกอย่างนี้นะจริงอยู่แล้วก็ต้องโง่ก่อนแหละนะแต่ว่าโง่แล้วมันฝึกได้นะ่ะมันก็ฉลาดขึ้นสักวันหนึ่งแหละแต่เราจังไปสําคัญตัวเองว่าโง่อยู่มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอันนี้นะมันก็ทําให้เนิ่นช้าไปเรื่อยๆนะ เป็นธรรมะเครื่องเนื่นชาอันที่สองเรียกว่าหมานะต่อไปอันที่สามก็คือทิฏฐนะิความเห็นผิดๆทัศนคติอุดมคติอะไรที่มันผิดๆแล้วก็ยึดอยู่ว่ามันดีมันวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่ทถ้ามันดีจริงมันวิเศษจริงนะเราก็คงจะพ้นทุกข์ไปแล้วหรือว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตไปแล้วแต่ว่าทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันก็เป็นทุกข์อยู่วนเวียนอยู่เราก็ยังยึดยึดอยู่เหมือนเดิม นะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราได้จริงนะเราคงพ้นทุกข์ไปตั้งนานแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเต็มฟ้าอยู่เหมือนเดิมะความเห็นมะันผิดพลาดนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้จริงประเทศอินเดียเนี่ยเขาเขาเลิศกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะว่าเทพเขาเยอะมากในะอินเดียเนี่นะพระพุทธเจ้าก็เป็นเทพเขาเหมือนกันฉะนั้นท่านมาไหว้พระพุทธเจ้าเขาไม่รังเกียจท่านเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นหนึ่งในบรรดาเทพของเ้าเหมือนกันนะเพราะเทพเขาเยอะมาก น, นะ บูชาลิงบูชาช้างบูชาโคอะไรก็ว่าโอ้บูชาไปเรื่อยตั้งท่านเป็นเทพไปทั่วนะอย่างนี้ซึ่งถ้าเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้จริงนะเราก็คงจะพ้นทุกข์ไปแล้วถ้ามันขลังจริงโอ้ยพระพุทธ ร, รูปท่านขลังจริงเนี่ยเราก็คงจะมีครอบครัวที่ร่มเย็นไปตั้งนานแล้วแต่เราเนี่ยนะมีหลวงพ่อมีพระพุทธ ร, รูปศัก์สิทธิ์ไปตั้งไว้ในบ้านแต่ในบ้านเป็นไงลุกเป็นไฟ เถียงกันละเนละนาฏอยู่พระพุทธลูกคนนั่งอยู่นั่นแนหะถ้าท่านช่วยจะจริงบ้านเราคงจะร่มเย็นกว่านั้นเยอะท่านช่วยไม่ได้ท่านก็บอกตรงๆอยู่แล้วเนี่ยนะแต่เราก็ยังงมงายอยู่อย่างนั้นแหละว่าท่านจะช่วยจะช่วยอยู่นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยทิฏฐิความเห็นเนี่ยถึงมันผิดผิดมันก็ไม่ยอมเลิกสักปีนหนึ่งก็ทําให้เนิ่นช้าไปเรื่อยเรื่อยเรเรื่อยเนะฉะนั้นให้เราย้อนกลับมาดูเถอะว่า อันไหนที่เป็นความเห็นผิดเป็นทัศนคติอุดมคติที่มันคลาดเคลื่อนอยู่ให้เอาความจริงที่เราสัมผัสได้หรือว่าที่เรารับรู้ได้นี้เป็นเครื่องตัดสินให้เอาการใช้ชีวิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องตัดสินนะอย่าเอาเรื่องทัศนคติอุดมคติใดๆมาเป็นเครื่องตัดสินเพราะว่าสิ่งนั้นมันช่วยเราไม่ได้ถ้าช่วยเราได้เราคงจะพ้นทุกข์ไปตั้งนานแล้วนะอันนี้เราต้องกล้าหานนิดหน่อย นะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่มันไม่ค่อยกลานะ้าเนาะต้องรอถามคนนั้นทีคนนี้ทีต้องรอคนนั้นรับรองคนนี้รับรองอยู่เรื่อยนะอันนี้นะเขาเรียกว่าธรรมะเครื่องเนิ่นช้ามีสามอย่างอันหนึ่งคือตันหาอันที่สองมานะอันที่สามทิฏฐนะิเราคงจะยอมรับแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างเงี้เราช้านานมาแล้ว เพราะอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าคิดว่าน่าจะได้ดีกว่าสุขกว่ามีมานะสำคัญตนว่าเก่งกว่าว่างไม่ยอมฟังคนอื่นว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเป็นคนโง่เป็นคนไม่สามารถบรรลุได้บ้างก็ไม่ยอมทำอะไรแล้วก็มีทิฏฐิทัศนคติอุดม ก, กติความเห็นอะไรต่างๆที่ปิดบังตนเองอยู่มันก็เนื่นช้าไปเรื่อยๆไม่กล้าแม้แต่จะทิ้ง เราทั้งหลายกล้าทิ้งของขลังไหมอ่านะวาดรูปพระพุทธ ร, รูปขึ้นมารูปหนึ่งนะไม่มีอะไรอะ่ะวาดให้ท่านเป็นของศักดิ์สิทธิ์มาแล้วกล้าทิ้งท่านไหมกล้าเผาท่านไหมเห็นไหมนะ่ะขลังมากเกินไปจนไม่กล้าทิ้งท่านแล้วตอนนี้เต็มบ้านแล้วนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะแต่โดยความจริงแล้วท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยโยนท่านลงไปลงน้ําท่านก็จมไปเลยอะนะท่านจะขลังอะไรนักหนานละ มันก็ชัดๆอยู่แล้วแต่เราคงไม่กล้าจะคิดแม้กระทั่งอย่างนี้เราอาจจะคิดว่าเอ๊ะคิดอย่างนี้คงจะดูถูกพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านพาเราเนี่ออกมาจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนะเพราะว่าสมัยก่อนๆหน้านั้นอะ่ะเขามีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องกรรมเก่าที่โดนบันดาลอะไรเยอะแยะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อนะ้ำออกมาออกมาเนี่ยนะแต่เราเนี่ยเอาท่านนั่นแหละเป็นของขลังซะเอง เอาผู้ที่บอกให้เลิกยึดถือของแลังนั่นแหละเป็นของแลังซะเองเลยอ่ามันก็เลยกลับข้างกันอยู่อย่างนี้เนาะพูดกันก็ยากลำบากนิดหน่อยซึ่งถ้าใครที่ยังไม่กล้าจะทิ้งหรือว่ายังไม่กล้าแม้แต่จะยกเลิกทัศนคติอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็าจะต้องเนื่นช้าไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเราฟังธรรมะนะก็ฟังให้ได้ธรรมะของมหาบุรุษท่าน ธรรมะที่รวดเร็วไม่เนื่นช้าก็คือธรรมะที่เป็นอริยสัจทั้งสี่เราคงจะฟังฟังมาบ้างแล้วมั่งว่าเวลาตรัสรู้ท่านก็แทงตลอดอริยสัจทั้งสี่เห็นไหมฟังให้ได้แบบอริยสัจทั้งสี่ไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรเยอะก็ได้ขอให้ได้มุมมองของอริยสัจทั้งสี่แล้วก็เข้าใจหลักการประพฤติปฏิบัติว่าโอ้พูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เพื่ อ, ออิสระจากสิ่งนั้นนะไม่ใช่เพื่อเอาอะไรหรอกไม่ใช่เพื่อไปรักอันหนึ่งไปเกลียดอันหนึ่ง แต่เพื่ออิสระจากมันซึ่งหนทางที่จะทําให้เกิดปัญญาจนกระทั่งปล่อยวางความเหมินผิดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสระจากมันได้คืออริยมรรคมีองค์แปประการเริ่มต้นจากการฝึกฝนให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการใช้ชีวิตจนรู้ทันตนเองเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่ยก็จะได้ไม่เนิร์ดช้าแล้วก็ให้รู้จักธรรมะเครื่องเนิร์ช้าเอาไว้ว่ามีสามอย่าง ซึ่งถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกพระพุทธเจา้าท่านก็จะพูดอยู่เลยนะพูดเรื่องอะใดๆขึ้นมาปับ๊บท่านก็จะพูดเลยว่าอ่าภิกษุทั้งหลายรูปมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงล่ะไม่เที่ยงก็จะตอบได้ทีเดียวเนะเาะไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะเป็นทุกข์สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือไม่ที่จะไปหลงยึดถือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยนั่นของเราของเรา เราจะได้นั่ น, น, นได้นี่อันนี้มันตัณหาเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็มานะนั่นอัตตาตัวตนของเราก็ทิฏฐิเนี่ยของเราเนี่ยมันเต็มด้วยสิ่งเหล่านี้หมดเลยอันพระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศนะท่านเทศอะไรขึ้นมาปั๊บท่านก็จะถามต่อมาเลยนะเสียงเสียงชมก็ดีเสียงด่าก็ดีท่านก็จะถามต่อเลยเสียงเนี่ยมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นทุกข์ สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือไม่ที่จะไปหลงยึดถือมันว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอันตราตัวตนของเราไม่ควรเลย αι, เห็นไหมอะไรอะไรที่พูดขึ้นมาก็พูดถามแบบนี้หมดนะเห็นไหมฉะนั้นภิกษุที่ท่านฟังเข้าใจท่านบอกโอ้เข้าใจแจม่มแจ้งเหลือเกินธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าดุดายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีตาดีก็มองเห็นทาง น, นี่เห็นไหมมันชัดเจนแจ่มแจ้งมากอย่างเราทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่ฟังไปแล้วมืดตึบ๊บของเคยหงายกลายเป็นคว่ำไปเลย มันเลยงงไปงงมากลายเป็นธรรมะมันยากเป็นยาขมเป็นยาอะไรก็ไม่รู้นะจดมาปลอบประโลมใจกันว่าเออเอาละยาขมมันก็รักษาโรคได้ดีนะก็ว่าก <Okay. S 1> ันไปเออปลอบประโลมใจกันไปว่าโอ้ยธรรมะยากก็ต้องพยายามเรียนอย่างโน้นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันยากเฉพาะตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทอนนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แล้วท่านก็มาย่อยหรือว่ามาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย มากระทําให้ง่ายแล้วเพียงแต่เราอย่าไปมีตัณหาอยากได้อะไรจนเกินเหตุอย่าไปมีมานะสําคัญตนว่าตนเองฉลาดเกินไปหรือว่าสําคัญตนว่าโ ง, ง่จนเกินไปแล้วก็อย่าไปยึดทัศนคติอุดมคติต่างๆที่ตนเองก็ไม่เห็นพ้นทุกอะไรแต่ไปยึดไว้อยู่เนี่ยเอาทิ้งไปเถอะอย่างเงี้ยนะก็มาฟังท่านก็จะเข้าใจได้โดยง่ายทีเดียวนะแต่เราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ก็ อยากได้นั่นอยากได้นี่พอเขาพูดเรื่องบุญบุญมันดีอย่างนี้อย่างนี้ตคุบปั๊บเลยเรียบร้อยไปอีกแล้วนะหรือว่าสําคัญตนมีมานะต่างๆพอเขาพูดถึงเรื่องบารมีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เราบารมีไม่ถึงหรอกรอพระสีอ่านก่อนพอพระสีอ่านมาบารมีไม่ถึงหรอกรอกับหน้าไปก่อนก็รอไปเรื่อยๆเพราะว่านิสัยมันเหมือนเดิมแหละมันไม่เปลี่ยนหรอกคนเราเนี่ยจนกว่าจะทํากรรมใหม่หรือว่า ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมเก่าๆของความเคยชินเก่าๆต้องอิสระจากมันนะแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรแล้วความคิดต่างๆเกิดขึ้นคิดว่าเราโงา่คิดว่าเราไม่ฉลาดพอยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดนี้อยู่ตอนไหนๆมันก็เหมือนเดิมแต่พระพุทธเจา้าท่านสอนให้อิสระจากกรรมเก่าๆไปซะถึงความคิดมันจะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเรามันโง่จังเลยนะอย่าไปหลงเชื่อมันเราโง่เร า, าก็ฉลาดได้ แล้วก็ฝึกเอาไม่มีใครฉลาดมาก่อนทั้งนั้นแหละก็ฝึกเอามันก็เก่งได้ฉะนั้นถ้ามันคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราโง่เกินไปแล้วมั้งเราอย่าไปเชื่อมันเราฝึกเราก็ฉลาดได้ฉลาดได้เนี่ยเห็นไหมอย่าสําคัญตนว่างโง่อย่าสําคัญตนว่าฉลาดให้ฝึกฝนตนเองไปตามสมควรนะนี่คงพอเข้าใจบ้างเนาะนี่แหละ ธรเทศนาที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงในวิหารเชตวันก็มีมากคงไม่เอามาเล่าแหละว่าเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าผู้เล่าเขาก็รอฟังอยู่มั้งว่าเล่าเรื่องอะไรไปบ้างนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่คนฟังเห็นไหมเขาฟังเขาเข้าใจก็บรรลุในตอนนั้นถ้ายังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็ส่งกลับไปเขาก็ปฏิบัติเป็นเพราะอะไรเพราะมันเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเทศเรื่องไหนก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้น คือเรื่องในแง่มุมของอริยสัจทั้งสี่นะถ้าเราเรียนไร้่องอะไรต่ก็ขอให้ได้ใบไม้กำมือเดียวอันนี้อย่าไปได้ความรู้ฟุง้งซ่านหรือว่าความรู้นั่นรู้นี่ให้มากมายจนเตือนไปจะทำให้เป็นเครื่องเนิ่นช้าเปล่าๆนะอ่ะบรรยายวันนี้ก็มีคำถามไหมมีมีคนตั้งท่าจะถามอยู่ไหมเนี่ยล่ะ หน้าที่ของเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องติดบุญไม่ติดบุญอะไรหรอกหน้าที่ของเราคือทําสิ่งที่มันไม่เคยมีให้มันมีขึ้นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดให้รู้ตัวเข้าไว้อรู้ตัวอ่ามันติดก็รู้ว่ามันติดมันชอบก็รู้ว่ามันชอบรู้ไปเรื่อยเมื่อเกิดความรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญามันก็จะไม่หลงติดของมันเองนี่พอเข้าใจไหมอ่านะฉะั้นกิเลสก็มีข้อดีของมันอะ มันติดก็ทำให้เราได้นั่นได้นี่มาอย่างติดสาวๆก็ได้แฟนมาคนหนึ่งใช่ไหมเออมันก็จะบอกว่ามันเป็นข้อดีก็ได้นะแต่มันก็ได้ทุกข์มาเพิ่มนะนะจนกว่าเราจะฝึกฝนตนเองจนกระทั่งมีอริยมรรคเกิดขึ้นมันจึงจะพ้นไปตามลาดับฉะนั้นเราไม่ต้องทำท่าว่าอยากจะละอยากจะอะไรก็ได้ให้ฝึกสิ่งที่ยังไม่เคยมีให้มันมีถ้ามีแล้วก็ทำบ่อยๆจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาไม่ต้องไปรีบละกิเลสนะ เพราะว่าที่เราอยู่มาได้นี่ก็เพราะกิเลสนะฉะนั้นในการละกิเลสตามแบบพระพุทธศาสนาหรือว่าการดีขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปปฏิเสธกิเลสแต่ว่าเขาเห็นว่าเออมีอันอื่นที่ดีกว่าแล้วเขาก็ออกมาจากสิ่งนั้นแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ดีกว่าเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเขาก็ออกจากสิ่งนั้นไปไปหาสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นเพราะการปฏิเสธ เหมือนคนเขาออกบวชอย่างเนี้ยนะเขาก็ไม่ใช่หมายาว่าเขาปฏิเสธทางโลกอะไรต่างๆเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ยเห็นพวกทางโลกมีลูกมีเมีย ม, มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เขาปฏิเสธอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเออเขาเห็นว่ามีอันอื่นที่ดีกว่านั้นหรือว่ามีอันอื่นที่เบาสบายกว่านั้นเขาก็ไปอีกอันหนึ่งนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเนกขมมะคือการก้าวออกมาเพราะว่าเกิดความรู้ความเข้าใจหรือว่าเกิดการมองเห็นสิ่งที่ดีกว่า ดีกว่านั้นอย่างนี้นะโดยปกติเราทั้งหลายมีความดำริหรือว่าความคิดที่ผิดพลาดอยู่เราจึงก้าวออกมาไม่ได้เพราะว่ามันยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เยอะเคยรู้จักสังกัปปะไหมสัมมาสังกัปปะอนะความดำริความคิดในใจเราอ่ะนะลองสังเกตดูก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปฝืนตนเองถ้ามันยังไม่มีก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะมีขึ้นมาเองสัมมาสังกัปปะเวลาแยกข้อก็จะได้อยู่สามข้อ อันที่หนึ่งคือเนคขัมมะสังกัปปะดําริในการก้าวออกมาจากสิ่งที่เคยยึดถือเคยติดข้องเคยเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้เพราะว่ารู้ว่ามีสุขที่ดีกว่านั้นอีกคือสุขที่เป็นอิสระจากมันนั่นแหละนะแค่ดํารินะไม่ใช่เอาไปทิ้งจริงๆเช่นว่าดําริในการออกจากสมมุติเรามีแฟนใช่ไหมดําริในการก้าวออกมาจากแฟนเราไม่ใช่เอาแฟนเราไปโยนทิ้งไม่ใช่ไปทิ้งเขาไป แต่เราก็ดูแลตามปกติแต่ว่าไม่ได้เอาสุขเอาทุกไปฝากไว้กับเขาเพราะว่ารู้ว่าเออที่อิสระจากเขาแล้วปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นมันมีความสุขกว่าและมันดีกว่านะเรามีเงินเราก็มีเงินไปไม่ได้เอาเงินไปทิ้งแต่ว่าไม่เอาสุขเอาทุกไปฝากไว้กับเงินซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเออมีเงินเยอะๆจะมีความสุขใช่ไห ม, มีคนนี้อยู่ด้วยจะมีความสุขแต่ว่าต่อไป เริ่มมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องความคิดมันก็จะถูกต้องด้วยคือไม่ได้เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้กับสิ่งต่า ง, า ง, างๆแล้วนี่พอเข้าใจไหมมีตําแหน่งก็มีไปก็ใช้ตําแหน่งในการทําประโยชน์อะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้กับตําแหน่งนั้นโดยปกติเราทั้งหลายจะเอาความคิดในแง่ที่ว่าความสุขความทุกข์ไปฝากไว้กับตําแหน่งถ้ามีตําแหน่งก็มีความสุขถ้าเสียตําแหน่งก็เกิดความทุกข์อย่างนี้ อันนั้นเรียก ว, ว่ามันเป็นความดัมติที่ผิดพลาดจะทำให้ตนเองเป็นทุกข์ต่อไปเราเน่ามาคือก้าวออกมาแค่ดํารีนะเน่ฆมาสังกปะดําริในการก้าวออกมาไม่ใช่หมายว่าเราไปทำจริงแค่ดํารีเฉยๆเหมือนกับเรามีสามีเราดํารีในการทิ้งสามีแค่ดํารีเฉยๆไม่ใช่เอาเขาไปทิ้งจริงๆไม่ใช่เอาเขาไปปล่อยวัดอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้น แค่ดําริออกมาคือเราไม่เอาสุขเอาทุกขเวทฝากไว้กับเขาแล้วด้วยเห็นว่าเอ๊ะเราเอาสุขเอาทุกขเวทฝากกับเขาไว้มันไม่ได้เป็นสุขจริงอมีสุขบ้างมีทุกบ้า ง, างแต่ว่าปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็ดูแลทําหน้าที่ไปตามสมควรแบบนี้ดีกว่าเราก็ก้าวออกมาก้าวออกมาทางความคิดเท่านั้นเองนี่พอเข้าใจไหมเขาจึงเรียกว่าดําริไงดําริในการเนคขมมะคือการก้าวออกมาไม่ต้องไปทําจริง ไม่ต้องไปบวชเป็นแม่ชีไม่ต้องไปทําท่าไปอยู่วัดนอนวัดหนีออกจากบ้านไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องแดบบีนั้นมันไม่พ้นจริงให้อยู่บ้านนั่นแหละแค่ดําริก็พอไม่ต้องไปบริจาคเงินทั้งหมดหรือว่าไม่ต้องไปเอาของไปทิ้งทั้งหมดไม่ต้องไม่จําเป็นแค่ดําริเท่านั้นเองดําริก็คือคิดนั่นแหละพูดง่ายๆนะนะแต่โดยส่วนใหญ่ความดําริของเรามันผิดพลาดอยู่คิดว่าเออได้อย่างนี้นะจะมีความสุข ได้อย่างนี้นะจะมีความสุขอยู่กับคนนี้นะจะมีความสุขเขาพูดอย่างนี้นะ่าจะมีความสุขเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้อย่างนี้มันดําริผิดพลาดนะสัมมาสังกรประอันที่สองก็อัพยาปาทะสังกรปะระดํำริในการไม่พยาบาทไม่โกรธแค้นไม่ผูกเวรเขาไม่พยาบาทรู้จักใช่ไหมใครทําอะไรให้เราไม่พอใจเราไม่พอใจก็ได้แต่ไม่พยาบาทเขาเราไม่ต้องชอบทุกคน เพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไม่ชอบที่หน้าคนนี้ก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้ไม่ต้องฝืนตนเองแค่ไม่พยาบาทเขาเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นเพื่อนกับเขาไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรกับเขาก็ได้แค่ไม่พยาบาทเขาทําได้ไหมเขาทําไม่ดีเราไม่ชอบเขาก็เราไม่ชอบก็ไม่ชอบไปแต่เราไม่พยาบาทเขาเท่านั้นเองเนี่ยแค่ดําริในการไม่พยาบาทนะไม่ได้ทําให้ทํายากอะไรนะไม่ใช่บอกว่า อุยเขาไม่ดีเธอต้องเป็นเพื่อนกับเขานะถ้าเป็นเพื่อนตายเกาพอได้เนาะเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไม่ไหวเหนื่อยตายเลยนะ่ยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเอาแค่เป็นเพื่อนเกิดแก time, ่เจ็บตายก็พอไม่ต้องเป็นเพื่อนจริงๆถ้าเป็นเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนอะไรไม่จําเป็นเอาคนที่เราชอบเป็นเพื่อนก็พอแต่ถ้าคนที่เราไม่ชอบเอามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายพอแล้วเนี่ยเวลาให้เราท่านให้เราท่องนะท่านบอกสัตว์ตั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องเป็นเพื่อนกับเขาจริงเอาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขาพอง่ายไห อ, อง่ายเหมือนกันเนาะเออนะแต่ว่าเวลาที่เราอยากเป็นคนดีนี่โอ้โหเราต้องเมตตากับเขาต้องเป็นเพื่อนต้องโอ้ลา บ, บากลำ บ, บนอันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องทําอะไรมากนะไม่ต้องไปพูดกับเขาก็ได้เพราะว่าแค่ดําริเท่านั้นเองท่านบอกให้เราดรําริในการไม่พยาบาท ไม่ได้ให้ไปพูดเขากับเขาไม่ได้ต้องเป็นไปขอโทษต้องไปขอโพยอะไรไม่จําเป็นนะแค่ดําริในการไม่พยาบาทเท่านั้นเองนะไม่ผูกเวรเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบไปโกรธเขาก็โกรธไปแต่ไม่พยาบาทนะแล้วก็ข้อต่อมาอันที่สามก็อวิหิงสาสังกปะดําริในการไม่เบียดเบียนคือไม่ต้องการเอาชนะเขาไม่ต้องการครอบงําเขาโดยส่วนใหญ่เราชอบ ต้องการเอาชนะคนอื่นใช่ไหมอยากเก่งเหนือคนอื่นอยากครอบงำคนอื่นได้อย่างสามีเขาก็ต้องการครอบงำภรรยาภรรยาก็ต้องการครอบงำสามีสามารถสั่งมันได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เบียดเบียนกันครอบงากันแบบนั้นมันไม่ดีเพราะว่าจะทาให้ตัวเองเป็นทุกข์และคนอื่นเป็นทุกข์ทีนี้เราก็แค่ดำริคิดนดั่นเองน ะ, ะในการไม่เบียดเบียนไม่ต้องการเอาชนะกัน จะมีการแข่งขันกันบ้างก็ได้นะนะจะแข่งขันฟุตบอลกันอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าต้องการเอาชนะกันเอาตามหน้าที่เอาตามกําลังความสามารถคนไหนเก่งก็เอะตามใจนักกีฬาอะไรก็ว่ากันไปนะทําธุรกิจมันก็ต้องมีการแข่งขันกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ต้องการเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องการเอาชนะเขาแต่ว่าถ้าเขาแพ้เพราะว่าเขาเหตุปัจจัยไม่พร้อมหรือว่าเราดีกว่าเขาจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องยอมรับแล้วเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมชาตินะแค่ไม่เบียดเบียนเขาเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ต้องไปทําท่าอะไรด้วยแค่ดำํำรีด้วยง่ายนิดเดียว <c oughs> นะนะแต่เรานี่ทั้งหลายนี่ชอบทำท่าเนาะชอบเป็นคนดีดังนั้นหลักของอริยมรรคท่านไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนดีอะไรแค่ไม่ชั่วเท่านั้นเองพอไม่ชั่วเนี่ยเราก็ไม่เป็นทุกข์ก่อนมันก็ใช้ได้แล้วแค่เราไม่เป็นทุกข์มันก็ใช้ได้คนอื่นเป็นทุกข์ก็ช่างเขาสิมันเรื่องของเขานะี่ย น่ะง่ายๆนิดเดียวเองนะนี่สัมมาสังกัปปะเวลาแยกย่อยแล้วก็มีอยู่สามข้อนะจำเอาไว้เน่ขมมะสังกัปปะดัริในการก้าวออกมาจากสิ่งที่เราเคยยึดถือยึดติดเอาไว้เคยเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้เรื่องไหนบ้างอ่ะก็ไปดูกันแล้วกันเราก็ก้าวออกมาแค่ดัริก็พอไม่ต้องไม่ต้องออกจริงดํมฤเฉย มีเงินก็มีไปมีตำแหน่งก็มีไมีสามีก็มีายมีลูกก็มีไปแต่อย่าเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้นะยปล่อยเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอันที่สองก็อภิยาปาทัศสังกปะดำริในการไม่พยาบาทไม่ผูกเวรเขาไม่จ้องทำร้ายเขาะจะไม่ชอบเขาก็ได้จะไม่เป็นเพื่อนเขาอะไรก็ได้ขอเป็นเพื่อนตายกับเขาก็พออะไรก็วางกันไปน ะ, นะแค่ดำริก็พอนะ แล้วอันที่สามก็อวิหิงษาสังกัปปะดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ต้องการเอาชนะเขาจะมีการแข่งขันหรือว่ามีการชนะมีการแพ้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกแต่ว่าอย่าต้องการอย่าดำริในการเบียดเบี ย, บยนครอบงาเขาต้องการให้เขาแพ้อย่างนั้นอย่างนี้ได้อาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำเท่านั้นเอง น, นี่นะ นี่เห็นไหมอริยมรรคมีองค์แปดมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะเนี่ยมันยากอย่างนี้นะหายากแนละ้วเนี่ยอันง่ายๆนี่หายากนะส่วนใหญ่ชอบทําแต่อยากยากกันเนาะชอบทาแบบลือศีอเวลาโกรธก็ต้องเจริญเมตตาเขาว่าอย่างเงี้ยครับเวลาราคะเกิดขึ้นอะไรก็ต้องเจริญอสุภะเขาอะอย่างเงี้อันนี้ลือีก็ทํากันมาันอ่านแล้วได้สมถะได้ฌานกันไปมากมายนะแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์นะ อถ้าเราจะทําอย่างเขาบ้างก็ได้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าโอ้นี่มันทําของคนอื่นอยู่เนาะอย่างเนี้ยนะแต่ของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายรัดสั้นแล้วก็รวดเร็วนะก็คือทําในแง่มุมของอริยสัจทั้งสี่ฝึกฝนให้อริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นถ้ามีสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งคําถามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านถามภิกษุอยู่เสมอก็ได้หยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ถามว่าอันนี้ มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงก็ต้องตอบได้แน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงใครตอบไม่ได้ก็เกินไปแล้วนะไม่เที่ยงมันทุกข์หรือมันสุขเล่ามันทุกข์ก็สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์วรหรือไม่ที่ไปยึดมั่นถือมั่นมันว่านี่ของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเนี่ยเห็นไหมอ่านะ กถ้ายัางติดข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็ตั้งคําถามแบบพระพุทจ้าท่านถามภิกษุทั้งหลายก็ได้จะได้รวดเร็วและรัดสั้นตามที่ท่านแสดงเอาไว้นะอย่างนี้นะ่ส่วนว่าจะสั้นเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่นี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปนะแต่อย่างน้อยก็ไม่ยืดยาวจนเกินเหตุเลยนะไอเราทั้งหลายนี่มันยืดยาวมานานแล้วเนะนะตัณหามานะทิฏฐินี่ก็เรียกธรรมะชนิดทําให้ยืดยาว ภาษาธรรมะเรียกว่าปรปันจธรรมนี่ปรปัญจธรร ม, รรรมเคยได้ยินไหมอ่าแต่ถ้าไม่เคยได้ยินก็คือธรรมะชนิดที่ทำให้เรายืดยาวไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆมีความอยากมีความสำคัญตนแล้วก็มีความเห็นผิดๆพลาดพลา ด, ลาดมีทัศนคติอุดมคติที่มันไม่ถูกต้องนีไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ